อันนี้ครบกันหรือเปล่านี่เนี่ยมุกสังมีเปล่ามีมั้ยมีมั้ยไอ้ซิคิมทำไมไม่ได้ฮะอ่าไม่ครบกันหรอครบพอดีเหรอฮะ มือเดียวมือเดียวเคย อ, อยู่สะดวกสบายมารับมือเดียวมาทานมือเดียวต้องเอาให้เต็มที่ วันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์วันที่20เป็นวันรับทุนเด็กครั้งที่10เท่าไหร่1ิบเครั้งที่17ใช่เหรอครั้งที่17 5 6 7 เป็นครั้งที่สิบเจ็ดเราแจทุกเดือนเราทำมาแล้วเป็นเดือนที่สิบเจ็ดนักเรียนหกโรงเรียนโรงเรียนละห้าทุนทุนละห้าร้อยน้องวศรพิทยาคมเจ็ดทุนที่มากันครบไหมนี่มากันครบไหมไม่ครบ และไที่เขาออกจากมัธยมไปแล้วก็มีใช่ไหมอ่าออกไปแล้วเราก็ให้เขาจนจนครบเทอมอ่นแหละบอยเขามาเอาเขาออกออกจากออกไปแล้วให้เขาจนครบเทอมปกเดือนหนึ่งเทอมนี่เราให้เต็มหกเดือนเลยแต่แท้ที่จริงเทอมหนึ่งไม่เต็มหกเดือนใช่ไหมไม่เต็มหกเดือนเราให้ครบหกเดือนเลย ถือว่าออมเป็นเงินออมมารับทุกเดือนปกติรับทุนการศึกษานีาเา่เขาเขาแจกปีละครั้งแล้วก็อาจจะไม่ได้แจกที่วัดไปแจกที่อื่นไปแจกที่โรงเรียนแต่อันนี้เราให้เด็กมารับที่วัดเพราะทำให้เด็กเกิดแนวโน้มเห็นวัดเห็นว่าเห็นครูบาอาจารย์เห็นพระเจ้าประสงค์ทําให้เกิดแนวโน้ม มันก็มีส่วนช่วยชุดช่วยลากช่วยดึงกันครูอาจารย์ผู้ปกครองเด็กมู่เพื่อนทำให้เด็กเกิดแนวโน้มเพราะทุกวันนี้แนวโน้มทาให้เด็กเสียหมีมากโดยเฉพาะไอ้เท่าฝ่ามือเนี่ยแหละแนวโน้มทาให้เด็กเสียมากเดี๋ยวนี้คนเรา บางทีนิสัยไม่พอไปเจอแนวน้องไม่ดีสิ่งไม่ดีมันก็ดึงไปหมดถ้าจริตนิสัยเราเพียงพอรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็เลือกเอาเด็กจะเลือกอะไรได้อ่ะจะเลือกอะไรเป็นแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังเลือกไม่ค่อยจะเป็นเราเลือกอะไรตามใจชอบบางทีตามใจชอบนั่นนะบางทีไม่มีเหตุผลเลย เหตุผลคำว่าไม่มีเหตุผลเนี่ยถ้าจะว่า้ถูกก็คือไม่รู้เหตุผลไม่รู้เหตุนี้เพื่อผลอะไรไม่รู้ผลอันนี้มาจากเหตุอะไรไม่รู้เ่านเรียกว่าไม่รู้เหตุผลแต่เรามักจะใช้คำว่าไม่มีเหตุผลไม่มีเฮ้ยทำนี้ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแท้ที่จริงข้อเท็จริงก็คือไม่รู้เหตุผลว่าเหตุผลอันนี้เพื่ออะไรเหตุผลันนั้นเพื่ออะไร ความอยากในใจของเราเนะี่ยเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นเจ้าเป็นจอมของวัตถจักรที่อยู่ในหัวใจของเรานะตัวนี้ยนะตัวรากตัวเงาของสมุไทยัยแท้ๆเหตุให้เกิดทุกข์ที่พวกเราทําคุณงามความดีอะไรทุกอย่างสรารพัดเราหวังความสุขความเจริญเราหวังหนีจากความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ศึกษาเจาะลึกเข้ามาที่ใจของเราเราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจ เราพลอยหลงทำตามอํานาจของมันอยู่ร่ําไปคือทําตามอํานาจของความอยากบอกอยู่เรื่อยสอนอยู่เรื่อยให้พยายามจับความอยากในหัวใจของเราความอยากอะไรโผล่ขึ้นมาให้จับโผล่ขึ้นมาให้จับจับแล้วก็วิจารณ์โอ้อยากเป็นสมุทัยหรืออยากเป็นมรรคคาว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ มักคือทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อยากเพื่ออยากเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่อหลงเพื่อราคะเพื่อตัณหานี่ยมันอยากเพื่อสิ่งเหล่านั้นอยากได้อยากดีอยากชนะอยากดึงมาเพื่อเราเพื่อเราเพื่อเราอยากด้วยอำนาจของตัณหาโอ้อยากละอยากเว้นโอ้ผิดศีลผิดธรรมอยาก อยากไม่ผิดศีลอยากไม่ผิดธรรมอยากได้อัดได้ทำอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากภาวนานี่เป็นเรื่องของอัดของธรรมเป็นเรื่องของมรรคแต่ข้อสาคัญนะเราไม่ทันความอยากนะที่ความอยากมันโผล่แล้วก็สวมรอยเข้าไปโผล่ขึ้นมาแล้วก็สวมรอยเข้ามันเราจึงหลงกลของมันอยู่ร่ำไปเสียท่าของมันอยู่ร่ําไปไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเพราะเราไม่ศึกษา หลักพระศาสนามีอยู่เพียบเต็มคำภีใบลานท่านสอนสอนให้เราศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อลดเพื่อละเพื่อรู้เพื่อรู้เท่าเพื่อรู้ถันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสารคดีนิยายเป็นเรื่องจริงถือถือตามได้จริงมีความสุขจริงมีความเจริญจริงแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็มันชักจะถอยหลังละมันสุขไม่จริง สุกสุดิบดบแท้ที่จริงเพราะเราก็อยู่อย่างสุขสุกดิบดบอยู่แล้วแหละเนื่องจากว่าโลกีโลกีโลกียะโลกียะเนี่ยโลกียะสุขสุขแบบโลกเนี่ยโลกียะสุกสุขแบบโลกโลกก็คือโลกีโลกียะนี่แหละอืสุขแบบโลกสุขแบบโลกก็คือสุขด้วยความยินดีสุกด้วยความยินร้าย ุทุกทุกทุกทุกสุขสุพระยิดเอาสุขพระถือเอาสุขพระยินดีสุขพระพอใจแต่บางอย่างอาจจะถูกต้องบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็คือผิดหลักของศีลของธรรมแล้วถ้าไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็เป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กควรรู้จักเรื่องเหล่านี้จบ ก็ด <laughs> <laughs> ีมั้งไฟไฟหมดไปดับแสงไปดับแสงมันไปไฟมันจะหมดฮะติดเดบบ์ทั้งวันทําไมไม่มีไฟวันเดบบทั้งวันเดบบ์จ้าทั้งวันทั้งวันอืครวอาจารย์มาสักกี่ท่านนี่ไหนยกมือสิ หนึ่งสองสามสี่โอ้คราวนี้ทำไมมาเยอะแท่เจ็ดหกเจ็ดแปดฮะไหนผู้ปกครองมากี่กี่คนกี่ท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาไม่ครบทุกคนเราทาให้เกิดแนวโน้มให้กับเด็กเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองเราต้องดูต้องสนใจด้วยแท่ที่จริง ห้าร้อยบาทน้อยนิดเดียวน้อยนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เธอเดียวเทอมหนึ่งครั้งเดียวหมดไปสามพันเนี่ยไปชำระได้สามบานหรือเปล่ากัไม่รู้สามบาัสามพันอันนี้เราให้มารับที่นี่มารับทุกเดือนเท่ากับเราออมไว้ให้นะจากนั้นแล้วก็มีโอกาสได้มาใส่บาทเนี่ยใไมได้ใส่บาทได้ทำบุญได้เกิดแนวน้อม ปลูกฝังจริตนิสัยของเด็กทำให้เด็กรู้เรื่องการทำบุญการมาวัดมาว่าการมาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็โอูครูบาอาจารย์ท่านก็พาพาอบรมด้วยสองวันหรือสามวันเนี่ยนี่เห็นเขาอบรมไปแล้วสองวันหรือสามวันเออมาอยู่วัดไปแล้วสองสามวัน ใครได้ผ่านการอบรมก็จะได้ใบประกาศเกียรติบัตรใบประกาศเกียรติบัตรนี้ก็ส่งผลไปกันถึงส่งเราไปโรงเรงเียนที่นู่นโรงเรียนที่นี่เรามีสิง่งเหล่านี้คุมคล้ายๆว่าเป็นเครื่องชี้บอกความประพฤติความดีความรู้คู่ความดีโครงการความรู้คู่ความดีจะ ท, ทำให้เราเกิดประโยชน์ ที่สำคัญที่สุดเด็กๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราอยากให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่พ่อมีบุญคุณแม่มีบุญคุณบุญคุณอยู่ตรงไหนบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณที่ท่านเลี้ยงเรานั่นแหละที่ท่านให้กำเนิดเราที่ท่านให้ร่างกายมาเราทั้งก้อนนี่นักเรียนฟังให้ดีร่างกายของเราทั้งก้อนทั้งดุนเนี่ย เป็นของพ่อของแม่มีแต่พ่อไม่มีแม่ก็เกิดไม่ได้มีแต่แม่ไม่มีพ่อก็เกิดไม่ได้ต้องเกิดทั้งพ่อเกิดต้องต้องมีทั้งพ่อมีทั้งแม่เกิดบุญกรรมของเราพอดีกับท่านนั่นแหละไปเกิดในท้องท่านเกิดมาแล้วอย่าไปดูถูกท่านนะหูพ่อทุกข์พ่อจนพ่องโง่อย่าไปหาดูถูกเด็ดขาด น, นะถ้าเลือกได้ไปหาเกิดคนรว ย, รวย คนสูงสักคนมียศมีเกียรติในรูกในความการเลือกได้บุญกรรมเราแค่นี้น้ำมันเราแค่นี้เราก็มาได้แค่นี้พ่อแม่ของไข่เป็นบุญเป็นคุณของลูกคนนั้นคนนั้นคนนั้นต้องรู้บุญรู้คุณท่านอย่าทำให้พ่อแม่น้ำตาร่วงน้ำตาไหลเพราะเราบาปหนักหนามหาศาล อย่าทำให้ท่านร่วงอดไม่ปาดทำให้ท่านสบายใจทำให้ท่านดีใจช่วยรับภาระท่านช่วยกิจการงานของท่านเป็นคนบอกนอนสอนง่ายประพฤติตัวให้ดีฟังคาบอกคาสอนของท่านเอาร่างกายที่เราได้มาจากท่านเนี่ย ไปประกอบคุณงามความดีนี่มากราพระ น, น, นี่คือเอาสมบัติของพ่อของแม่มาทําความดีมาตั้งใจรักษาศีลรู้ศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสข้อ5หัดรักษาเอาไว้ใครเริ่มรักษาตั้งแต่นี้ไปคนนั้นจะชนะกันจะชนะหมูบางคนโตแล้วหัวงอกหัวดําแล้วพึ่งมารักษาศีลก็มีเราลองหัดรักษามาตั้งแต่นี้ เราจะได้ดย้อนหลังไปโอ้เราในรักษาศีนตั้งแต่อายุหกขวบเจ็ดขวบเราจะได้เปรียบเราจะรู้สึกว่าได้เปรียบอย่าลืมว่าศีล น, นี้เป็นสมบัติอันเยี่ยมนะศีนเนี่ยเป็นสมบัติที่ดีที่เยี่ยมนอกจากศีนแล้วก็ธรรมความมีเมตตาสงสารเขาอยากให้เขามีความสุขเวลาไปเจอเขามีความทุกข์อยู่ กรุณาเขาต้องการให้เขาพ้นทุกช่วยนู้นช่วยนี้อช่วยพยาบาลช่วยบีบช่วยนวดเวลาประสบเจออุบัติเหตุอะไรก็ช่วยยิบช่วยยกช่วยจับช่วยอะไรต่ออะไรหนึ่คือเวลาเจอเขามีความทุกไปช่วยเขาแบบนั้นเขาเรียกกรุณาเมตตามีความหวังอยู่ในใจหวังให้ คนนั้นมีความสุขคนนี้มีความสุขแล้วกรุณาก็ช่วยลงแรงต้ลงลงมือลงทุนลงแรงไปอันนี้เป็นคุณสมบัติของเราเอาสมบัติของพ่อของแม่เนี่ยมาทําความดีมาสร้างความดีมาฝึกฝนความดีเช่นอย่างมาวัดมาวายเนี้ยครบวงจรทั้งหมดได้กราบได้ไหว้ได้พบได้เห็นได้ทานได้กราบได้ไหว้ได้ยินได้ฟัง เสียงอักษรธรรมอีกนี่คือนี่คือประโยชน์อืมถ้าใครเอาร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติของพ่อของแม่ไปใช้ในทางที่ที่ไม่ดีไปใช้ในทางที่เสียโดยเฉพาะเอาไปกินยาบ้าเนี่ยเอาร่างกายของเราเนี่ยไปกินยาบ้าเนี่ยเขาถือว่าเนรคุณกับพ่อกับแม่อย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้เพราะยาบ้ากินไปแล้วทําให้เราเป็นคนบ้า พ่อแม่ของเราเนี่ยนับตั้งแต่รู้ว่ามีท้องอยู่ในท้องนั่นนะมีคันนั่นนะให้หาพ่อหาหาแต่อาหารดีดมาให้แม่กินนั่นต้องการใช้ลูกในครันมันดีอันไหนที่พอกินไปแล้วทําให้ลูกมีสติดีมีปัญญานีโอ้มาใส่มากินนะนั่นอันเอาจากของดีๆออกมาแล้วป้อนแต่สิ่งที่ดีด แต่เราในกลับเอายาบ้าไปป้อนให้กับตัวเราเองเราเนระคุนกับพ่อกับแม่นี่ต้องระวังที่สุดใครระวังไม่ได้คนนั้นอ่ะได้รับทุกข์เองได้รับโทษเองเกิดมาดีๆเห็นโลกใบนี้แต่กลับมาทำให้โลกใบนี้เกิดเป็นโลกมืดโลกบอดสาหรับเราเพราะเอาตัวเราเอาสิ่งเสพติดมาทำลายเราเนี่ยคนบ้าคือคนไม่มีสติดูที่คนไม่มีสติมันน่าดูไหม มันสักแต่ว่ารู้รู้รู้ไปอย่างนั้นแหละพูดเลอะเทอะเละเือนไปทั่วที่ทั่วแดนมันไม่มีสติไม่รู้ว่าอะไรเหตุดีเหตุไม่ดีไม่รู้เราอยู่ดีดีเนี่ยเราอยากเป็นคนบ้าดูสิมันเลวเนรคุณกับพ่อกับแม่ขนาดไหนเราดูสิเราคิดแล้วเราระวังเอาไว้อย่าไปหาลองเด็ดขาดลองทำไมหิวอะไรของกินดิบดีอย่างอื่นมีมากมายเยอะแยะ อย่าไปหาลองเด็ดขาดนะต้องระวังนะลูกหลานต้องระวังมันติดได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะทุกเพศทุกวัยมันติดได้หมดแม้แต่พระเนนพระเจ้าประสงค์ลองไม่ฟังเอามาใส่ปากมันติดทั้งนั้นแหละต้องระวังเดี๋ยวนี้มันกำลังระบาดคนฉลาดในการทำลายรู้จักไหมมันผลิดสิ่งขึ้นมาทำลายกัน สิ่งมาทำลายสิ่งนี้บางทีมันก็มีอุบายมีวิธีอะไรมีการเมืองแฝงเข้ามาชาติ น, นั้นชาตินั้นเอานี้ไปมอมเมาให้มันไปไม่ได้ให้มันล้านหลังให้มันอะไรก็แล้วมันมีอยู่กเราได้ยินได้ฟังมันมีอยู่ความโลภของมนุษย์รู้จักผิดชอบชั่วดีที่ไหนนี่คือการสร้างเวนีนสร้างกรรมอย่าคิดว่ากรรมมันจะไม่ตามทัน ฉลาดยุบแต่ฉลาดในสังในสิ่งที่เป็นโทษไม่เกิดประโยชน์เรามาสั่งสรรดลกไม่ให้เจริญอะไรที่เจริญที่สุดศิลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญที่สุดในโลกก็ควรจะฝึกฝนอบรมศึกษาหมาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเรื่องธรรมเรื่องอย่างอื่นเป็นเรื่องพัฒนาเพื่ออาชีพคำว่าอาชีพก็คือทําไมจะได้มากินมาอยู่ปัจจัยสี่อาชีพอาชีวะความเป็นอยู่ของชีวิต มันไม่จะได้มาใส่ปากใส่ท้องนั่นคืออาชีพเราดูแต่พระเจ้ า, ท, า, า, า, าท่านฝากอาชีพเอาไว้ให้ภิกษุภิกษุณีสามเณรสมเณรีท่านฝากอาชีพเอาไว้ให้และอาชีพนี้มันก็คุ้มค่าสำหรับสำหรับผู้ที่มาอยู่ฝึกบำเพ็ญสำหรับผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงมันคุ้มค่ากันมันคู่ควรกัน ในเมื่อเราต้องการจะอยู่ให้เขาเขาอุปถัมภ์บำรุงทุกคนก็ต้องตัง้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีสร้างเท่าไหรเป็นผลเป็นไรายได้ของเราทั้งหมดเพื่อให้คู่ควรกับคนที่เขาทําบุญคนที่เขาทําบุญในเมื่อเราเขาได้ทําบุญกับคนดีเขาก็พลอยได้บุญเนี่ยมันคู่ควรกันที่บุทรยศนั้นฝากเอาไว้นี่อาชีพของพระเช้าขึ้นมาก็อุอมบาเข้าบ้านใช่ไหม ได้ของสุกมาเข้าปากเข้าท้องแค่รักษาชีวิตไปวันวันแค่รักษาชีวิตไปวันวันอยู่ศึกษาธรรมะประกอบคุณงามความดีปฏิบัติชำระชระลางสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษในจิตใจอันนี้คือความเป็นพระอาชีพทัวๆไปถ้าหากเรารู้มจักพัฒนามายถึงจุดที่ดีที่สุดก็คือหันมาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเรื่องธรรม พระเรื่องศีลเรื่องธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ท่านบอกท่านสอนมันเป็นภูมิรู้ของผู้ตรัสรู้ผูริยาท่านตรัสรู้นะไม่ใช่ท่านไปเรียนจบที่นั่นที่นี่มาแต่ท่านตรัสรู้โดยการมาถูจนสึกเกิดปัญญายาณขึ้นมารู้อย่างรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นไรท่านรู้อย่างหมดุลีเจา้ารู้หมดนะุลีเจา้าสัพพัญญุตญาณไม่เหมือนพวกเรา เรียนแขนงนี้ก็รู้แขนงนี้แขนงนู้นไม่รู้ศาสตร์เป็นร้อยๆเป็นพันๆศาสตร์เราไปเรียนรู้ศาสตร์หนึ่งก็รู้แค่ศาสตร์หนึ่งพ่วงกันไม่กี่ศาสตร์แต่พระพุทธเจ้าปุ๊บรู้หมดสัพพัญญุตยานมียานย่างรู้ได้หมดนะรู้ได้หมดพระพุทธเจ้ามองทะลุโปร่งหมดเพราะท่านมีทั้งตานอกตาในท่านมองตับมองไตมองเพราะเราทะลุโปร่งมถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะจิตใจเรานึกเราคิดเรื่องอะไรเรื่องไหท่านรู้หมด ถ้าคุณท่านยังดูเหมือนอย่างพวกเราอยู่บนสระท่านยังดูเน่ะคนนั้นคิดนั้นคนนี้คิดนี้โอ้สระพันแต่เรื่องท่านเรื่องอะไรท่านจะมองหัวใจของพวกคนยุ่งท่านไม่มองแหละท่านมองแต่คนที่ท่านจะเอาประโยชน์เล็งใส่คนไหนนั้นไปโปรคนนั้นเล็งใส่คนไหนไปโปรคนนั้นคนไหนไปคล่องเหมือนท่านไปวางตาขายเอาไว้ใครไปคล่องท่านก็ไปโปรแล้วใครไปคล่องในตาขายของพระองค์พระองค์ก็ไปโปรแล้วนี่คือพระพุทธเจ้า รู้ไปไหนทะลุโปร่งหมดไปปลดใครอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยไปถูกหมดนะไ ม, ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องถามทางใครไม่ต้องมี G P S นำเลไม่ต้องมีเนี่ยทุกวันนี้เขามี G P S ดาวเทียมจับไปตรงไหนตรงไหเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนะทั้งไปทั้งถูกทั้งผิดทั้งถูกต้องถูกหลอกอยู่ในน้ำหมด <c oughs> นี่พวกเรา แต่เราก็ถือว่าเราพัฒนาไปขีขดหนึ่งขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเรามาพูดถึงความสามารถของพระพุทธเจ้าพราะว่าวิชาการความรู้ทั้งหมดที่พระองค์มาสอนนี่จึงแม่นยําที่สุดอันนี้เป็นเหตุเพื่อความทุกข์ยากความลําบากแม่นยําทีเดียวอันนี้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญสมัยาเราตั้งใจภาวนาไม่ให้ใจเรานึกคิดไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงชั่วขณะ 1ิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีโอ้ยมีความสุขเอาในหัวใจเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่พาจิตไปดีดไปดิน้นนี่ท่านบอกแค่นี้ท่านบอกให้เราทำแค่นี้ให้อยู่ครับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสิบนาทีย0ิบนาทีสามสิบนาทีอยู่แค่นี้จิตอยู่แค่นี้ได้มีความสุข มีความเบามีความสบายมีความปลอดโปรง่งนี่วิชาการของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราท่านรู้หมดสองจิตไปตามนู่นตามนี้ตามเรื่องตามเราตามรูปตามเสียงตามอะไรสารพัดตามที่ตันหามันพาดึงไปดึงไปเท่าไรก็วุ่นไปเท่านั้นดึงไปเท่าไรก็ยุ่งไปเท่านั้นดึงไ ป, งไปดึ ง, ไ ป, ดงไปเจอนน้นเลือดเยิ้มกลับมาไปเป้าใจเสียใจโอ้ยคนนน้นเคยด่าเราไปเจอแล้วไปเจอเจ อ, เจอคู่ศัตรูแล้ว คิดไปคิดมาโอ้คนนั้นเคยอาฆาตเราโอ้คนนั้นเคยทําบุญกับเราโอ้คนนั้นเคยทําคุณกับเราโอ้คนนั้นเคยทําลาโมกับเราสารพัดมันจะทรงใจไปหยุดหยุดแล้วมีความสุขหยุดแล้วไม่ต้องมีอะไรมากวนใจสงบนิ่งเหมือนกน้ําที่ไม่ถูกกวนคิดของเราที่สงบเหมือนน้าที่ไม่ถูกกวนอปกติน้ําที่ยังมีขี้ขุนที่ฝุ่นที้ครุ่ที่ โครนที่ต้มอยู่นะ่ยพราะถูกกวนมันก็ฟุง้งมองเห็นไม่เห็นอะไรเลยอ่าจิตที่สงบเหมือนน้าที่ไม่ถูกกวนน้ําไม่ถูกกวนตะกอนมันจะนอนก้นตะกอนมันนอนก้นนอนก้นแล้วน้ํามันจะเริ่มใส่ใจของเราเริ่มใส่ใจของเราเริ่มสงบใจเริ่มสงบใจเริ่มผ่องใจเริ่มใส่มีความสุขอยู่ในในนั้นบุญบา ร, รมีอยู่ในนั้น อำนาจวาสนาอยู่ในนั้นความสุขความเจริญอยู่ในนั้นนั่นะคืออันนั้นคือจุดสุดยอดของการพัฒนาถูกที่พัฒนาถูกจุดนั่นน่ะจุดสุดยอดจุดสูงสุดของการพัฒนาทีพระุทธเจ้าท่านเอานี่มาสอนจากนั้นแล้วท่านให้เราหัดพิจารณาให้เห็นสัจธรรมด้วยเห็นด้วยเหตุที่เราพวกเราไม่รู้จกักหลักของสัจธรรมนั่นแหะ เราจรึงทำอะไรสเปะสปะตามใจชอบทำตามอำนาจของความอยากเพราะไม่รู้มันมืดมันบอดไปหมดเหมือม่อคนเมื่อคนตาบอดคว้าทา้ายคว้านุนคว้านี่คว้าอะไรก็กาะนั้นคว้าอะไรก็หยิบอันนั้นคว้าอะไรก็เพิ่งอันนั้นคว้าอะไรถูกอะไรกันอาศัยอันนั้นเพราะอะไรเพราะตามันบอดดีผิดถูกไม่รู้เนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะพัฒนาพัฒนาจุดสูงสุด ของความดีมาตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนไดนะ้ท่านสอนให้เรารักษาศีลเริ่มมาตั้งแต่ให้เรารู้จักให้ทานเสียสละจากนั้นแล้วก็มารักษาศีลเนี่ยมีผลเมียนิสงผลอนินสงเหล่านี้แหละตกค้างอยู่ในใจของเรานะั่นแหละคือบุญเป็นบุญจากนั้นแล้วก็หัดพิจารณาให้เกิดสมาธิหัดภาวนาจิตสงบมีสมาธิ การศึกษาค้นคว้าของพระ อ, องค์แทนที่จะวิ่งตามหยุดหยุดจิตให้สงบแน่ดูวิธีการที่พระ อ, องค์สอนเน่ะเหมือนพวกเราไหมไม่เหมือนพวกเราพวกเราโอ้โหไปเรียนหลักวิชาการเล่นคำราเป็นปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึปปป๊ดูจนไม่หวานไม่ไหวจนตาจะลูกตายจะกระเด็นนะสมองจะแตกแต่พระพุทธเจาท่านสอนนะตรงกันข้ามนะหยุดไม่ต้องดูอะไรเลยอยู่กับสิ่งหนึ่งเดียวเน่ะ รเราดูที่วิธีการของพระองค์พอจิตมันสงบแล้วเนี่ยย่อนจิตไปใส่กับอะไรมันไปของมันเองมันทะลุ ป, ปูป่พวงไปหมดงนาเพราะฉะนั้นพระองค์ยิงรู้แจ้งโลกหมดทั้งโลกนะพระองค์รู้แจ้งหมดทะลุ ป, ปูพวงหมด ท, ท, ท, ปป ท, ทั้งสิ่งที่เป็ น, นามมาทั้งเป็นรูปธปรรมทั้งจริงที่เป็นนามธรรมรู้ทะลุปูพวงหมดโดยเฉพาะโลกที่เป็นเหตุ อย่ากองทุกก็คือโรคอัตภาพด่านกายของเราฟองร oh ู้ทะลุปุโปร่งรู้ที่ไปที่มาของกายกายของเราเกิดขึ้นมาจากอะไระกายของเราเกิดขึ้นมาจากเหตุคือสมุทยัยคือตัณหากเกลียดตัณหากเกลียดตัณหามันมีอยู่ในหัวใจของเราถ้าเราหันมาดูเราจะเห็นมันทุกริยะเลยกิเลดตัณหาในหัวใจของเราไม่เชื่อลองจอดูในใจของเราลองจอดูยืนก็จอเข้ามาเดินก็อนจอดูเข้ามานั่งนอนก็จอเข้ามา จะเห็นมันนะมันดีดมันดิ่นอยู่ในนั้นอพอเราเจาะไปเห็นมันเราจะเริ่มรู้จักเจาะไปเห็นมันเราจะเริ่มรู้จักเนี่ยตัวนี้ตัวขอทุกขอโทษในหัวใจของเราทําให้เราต้องเป็นแพรับบาปจากเศววิบากกรรมที่มันพาสร้างพาทำตัวนี้เลยสําคัญที่สุดอืนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เพราะ บุญคุณของพ่อของแม่ท่านให้ทานเรามาตัวเราทั้งหมดนี่ท่านให้ทานเรามาร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะเคารพพ่อเคารพแม่เคารพตัวท่านทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยเคารพตัวเราด้วยเพราะตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของพ่อของแม่ถ้าเราเอาตัวของเราไปทําไม่ดีเหมือนกำลัง เ, เนรคุณกับพ่อกับแม่นักเรียนพอใจไหมไม่พอใจไม่ชอบใจ เรารักแม่เรารักพ่อเคารพแม่เคารพพ่อเคารพตัวเรารักษาตัวเราให้ดีให้มีศีลเอาศีลมากำกับให้มีธรรมเอาธรรมมากำกับอย่าบงอย่าบ้าย่าบ้าบอบ้าบ อ, บ อ, บ อ, บอทำลายอย่าไปลองเด็ดขาดนะใครลองแล้วตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นเลยแหละเราดูดูเห็ น, เ ห, นเห็นอยู่เต็มหูเต็มตาเนี่ยมันทําให้คนตายทั้งเป็นเลยหลือแต่ซากมนุษย์ ไปบำบัดไปอะไรดีขนาดไหนมาแล้วก็ตามแต่โอ้ยเหมือนสูงทั้งดุ้นนั่นแหละมันจะเอาอะไรมาคืนแล้วเคมีมันเอาของดีๆไปกินหมดแล้วอย่าไปล่องเด็ดขาดนะอืมขยันช่วยงานพ่อแม่ทําตัวดีๆพ่อแม่บอกนอนสอนง่ายช่วยงานการของท่านช่วยดูแล สุระปะปางของท่านช่วยอุปถัมภ์บำรุงท่านการกินการอยู่เสื้อผ้าอาภรณ์อะไรดูช่วยดูแลท่านธุระการงานของท่านท่านต้องการให้เราศึกษาเราเรียนตั้งออกตั้งใจเล่าเรียนให้ได้ที่หนึ่งให้ได้ที่หนึ่งให้สุดความสามารถของเราแหละเพราะงั้นเถอะไปเรียนกับไปเรียนจริงๆเวลาเขาเรียนเขาอยู่บนโรงเรียนเขาฟังเอาวิชาความรู้ อายของโดดมาเล่นอยู่ข้างล่างจะไปทันอะไรเขาไม่ทันดอกครูบอกอะไรมาก็ดูปากครูใจกั น, นึกจับเอาจับเอาจําเอาจําเอ า, เอ า, เอาดูปากครูสงสัยก็ถามครูนุ่นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ให้ความเคารพครูด้วยนะร้องเราไปจากพ่อจากแม่เราเพราะครูนมีบุญมีคุณครูสอนเราให้มีเรามีความรู้ครูมีบุญมีคุณ เราได้สักษาว่ารู้มาเฉยๆแต่ความรู้ไม่มีมีแต่ผู้รู้เฉย ๆ, ๆนะมีแต่ผู้รู้เฉยๆถ้าจะเทียบกันเมื่อก็รามีแต่กระเป๋าไม่มีสมบัติในนั้นความรู้ที่เราได้จากครูเหมือนสมบัติใส่เข้าไปในกระเป๋าเราเรามีแใจมาเพื่อจะรับเอาความรู้เหมือนเรามีแต่กระเป๋ามนะั้นะนะๆๆเราไปหาครูเมื่อก็ราเอาสมบัติ เป็นเงินเป็นทองที่ได้รับจากครูมาใส่กระเป๋าความรู้มาใส่ในใจของเราเนี่ยครูมีบุญมีคุณใช่ไหมเคารพครูเคารพพ่อเคารพแม่เคารพพี่เราเคารพน้องเราไม่ทะเลาะกันไม่เอาเปรียบกันไม่ทะเลาะกันไม่ด่าทอกันไม่เล่นกันกจนเสียรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกัน ทำให้พี่ๆน้องๆเราอยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวของเรานี่เราพยายามศึกษาตั้งแต่ของยุมมยิงมเล็กๆน้อยๆใหญ่ยยไปต่อไปก็ศึกษาศึกษามาจนถึงขั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียนจบขั้นระดับปริญญาด็อกเตอร์แต่ถึงไหนขั้นไหนระดับไหนก็ตามไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมถ้าทิ้งศีลทิ้งธรรมแล้วก็ความดีไม่เกิดมันจะเกิดแต่ความไม่ดี เพความรู้เหล่านั้น่ะมันไปส่งเสริมให้เราออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางเสียหายได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ได้ร่ําได้เรียนพวกเขามีความรู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนะมันมีความรู้เท่านั้นแหละแต่สร้างสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเพื่อทําลายโลกไปสร้างระเบิดพิษระเบิดสารอะไรสารพัดมันไปใส่กันนะ่ะตัวเองอยากอยากมีชีวิตอยู่แต่อยากทําลายชีวิตของคนอื่นนั่น คือบาปอกุศลมันเกิดขึ้นในใจทําอะไรลงไปเป็นกรรมเท่านั้นกรรมกรรมเนี่ยทําไมกรรมจริงมันต้องมาตอบตอบสนองเราที่เรีว่ากรรมกรรมกรรมสนองกรรมทำไมกรรมจริงมาต้องมาตอบสนองเราเราไม่ต้องการให้มันตอบสนองไม่ใช่หรือการทำการที่เราทํากรรมไปทําไมกรรมมันจะไม่ตอบสนองเพราะกรรมที่เราทําลงไปนั้นมันเป็นพฤติกรรม พฤติกรรมที่เราทําลงไปเนี่ยปฏิกิริยาที่มันตอบโต้มานั่นแหละนั่นแหละคือผลสนองของกรรมมันจะสนองช้าสนองเร็วสนองตั้งแต่เริ่มทํานั่นแหละจากนั้นแล้วสนองยังไม่หมดมันก็สนองไปเรื่อยสนองไปเรื่อยอย่าว่าแต่ในชาตินี้เลยห้าร้อยชาติมันก็สนองยังไม่จบเห็นไหมเหมือนพระมกขลานะฆ่าแม่ไหมเกิดชาติไายห้าร้อยชาติเนี่ยก็ไปฆ่าชาตินายชาตินายก็ถูกฆ่าชาติไหนก็ถูกฆ่ า, า, าเพราะอะไรเพราะ กรรมมันหนักนาสาหัสไปฆ่าแม่ของตัวเองฆ่าแม่ของตัวเองก็เท่ากับฆ่าตัวเองอเท่ากับฆ่าตัวเองเพราะตัวเองนเป็นพ่อเป็นแม่คือพ่อแม่ให้มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เท่ากับฆ่าตัวเองเห็นไหมนี่แหละคือกรรมที่มันกลับมาเล่นงานเกิดเช้านี้นก็ดุกฆ่ายังไม่จบห้าร้อยชาติยังไม่จบอีกโอ้ ตอนหลังมาท่านมาเป็นพระอาหารหันต์แล้นะยังไม่จบนะเขายังตามมาเอาเลยแต่ว่าการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงของจิตนั่นนะ่ะถึงแม้เราจะทําไปแล้วเรามีโทษกรรมยังให้ไม่หมดแต่เราพลิกจิตได้อ้าโอ้เราลงผิดไปแล้วเราทําผิดไปแล้วทําใหม่ตั้งตัวใหม่เป็นอัครสาวกเห็นสร้างบารมีจนเต็มมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจา้าเป็นผู้เลิศโดยฤทธ ตําดินบินบนหอเหินเดินอากาศไปนรกไปสวรรค์ได้นะ่ะพระโมคคัลลานั้นอ่าแต่เวลากรรมมันให้คผะกรรมเก่ามาประจบกับกรรมใหม่กรรมเก่าที่เคยถูกฆ่ามาแล้วนั่นแหะมันมาประจบกับกรรมใหม่กรรมที่เจ้าของเคยสร้างเอาไว้เคยทําเอาไว้กรรมใหม่คืออะไรท่านมีฤทธิ์ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้เอามาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเลิ่อมใสศรัทธาทําให้พวกดีรศีเนี่ย <c oughs> มันเสื่อมลาบสกสาระ ชาวบ้านเขกลับมาเคารพนับถือบูชาเลื่อมใสนาลาบสักการะมาให้พวกนั้นครับไม่ไปทําบุญด้วยก็ อ, อดอดอยากอยากไอ้พวกนี้ก็เอ๊ะอะไรทําให้พวกเราเดือดร้อนอยู่ทุกอย่างลําบากไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเนี่ยนี่แหละนี่แหละองคนี้แหละตะโมขลานะ น, นี่แหละนะ <laughs> ทาตัวดีเด่นทําให้เขาไปเคารพนับถือไม่มีคนมาทําบุญให้ทางแต่เรารับอดเราอยากจา้างนักเลงไปฆ่า ระบบขรรนาเห็นไหมนี่คือกรรมเก่ามันมาไปจวบกับกรรมใหม่อ่าไปวาระแรกทางการะลุทกท่านก็เหาะเหะเอามัน น, อน็ อ, นะหอตหนานาะออกตั้งหน้าตากเลยนะไปวาระที่สองเหาะออกอีกไปวาระที่สามท่านพิจารณาดูโอ้มันกรรมของมันเออมันมาตามเอาของมันไปโอ้กรรมหลียังไนก็ลีกไม่พนเออท่านก็เข้าฌานคืบก้าวขึ้นมาทันที มันก็ทุบตีท่านขี่บันแหลกเนาะลากก็ไปทิ้งเ น, งน่เห็นไหมกรรมรู้จักไหมเพราะได้ระยะเวลาที่ท่านเข้าฌานท่านก็ออกมาแล้วเวยิ่งยานเยียวยาด้วยฌานสมาบัติของท่านแล้วก็ไปลาพระพุทธเจ้าพระนิพพานเพร่างกายแหลกไปหมดแล้วอไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปริพานมามาตายว่างั้นเถอะมาตายที่เดิมนี่แหละนี่คืออะไร คือผลสะท้อนของพฤติกรรมที่เราทําทําไมกรรมจรึงให้ผลทําไมทําไมจึงให้ผลข้ามพบข้ามชาติชาตินี้ชาติไหนไปเกิดที่ไหนมันก็ตามไปเห็นหมดกรรมมันตามไปเล่นงานได้หมดไปอยู่ในท้องทะเลมันก็ตามไปเล่นงานได้ทําไมกรรมมันถึงเก่งกว่านั้นใครเป็นผู้สร้างกรรมจิตดวงนั้นเป็นผู้สร้างกรรม เวลาได้รับผลมันก็ได้รับผลตรงนั้นมันจะไปรับตรงไหนมันไม่ต้องไปสอกไปสเสวสหาอะไรอะในเมื่อโทษมันเกิดตรงไหนที่จะได้รับโทษมันก็จะได้รับโทษตรงนั้นเหตุมันเกิดตรงไห น, นผลมันก็จะไปเล่นงานตรงนั้นกรรมให้ผลกราให้โทษกรรมนี้มันให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษกรรมดีให้คุณกรรมชั่วให้โทษ ที่พวกเราทุกญาติลำบากนี่พระเราสร้างกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีเลยให้โทษให้ทุกข์ให้โท ษ, ทโทษถ้าเราสร้างแต่กรรมดีกรรมดีจะส่งผลให้เราประสบความสุขความเจริญเช่มชื่นเบิก บ, บานเบาสบายปลอดโปรง่งโอ้แทบจะเหาะจะลอยแต่ถ้าว่าถ้ากรรมชั่วที่ท่านสอนเอาไว้ฝืนไม่ได้นะญาติโยาท่านสอนเอาไว้ฝืนไม่ได้อย่างนี้อย่านะอย่างนี้อย่านะอย่างนี้่นะเออไม่เชื่อไม่ฟังโดนทันทีเมาเลย ไ ฟ, ไฟไฟไฟไฟไม่เชื่อเอามือไปแย่เ <Yeah. S 1> มาทัานทีเลยนะเพราะท่านเห็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นหลักศีลธรรมจึงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหลักศีลธรรมบอกยังไงเป็นอย่างงั้นอ mm ื hmm. พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วไปถือตามพระพุธตามปฏิบัติตาม mm hmm. อ่าได้เวลาวันนี้ให้ใครเป็นประธานมาให้ทุนวันนี้มาม้งสักมานั่งตรงนี้ ให้ทุนเด็กมาทิศต้นมาทิ่ต้นกับมุ่งสักมนีมาเป็นประธานนั่งแจะทุนเด็กมาลุกขึ้นมาอ่าโน่นนั่งนงน่นไปอ่าอ่าไปเนี่ย นั่งนุ่งนั่งนุ่ง น, นั่งนุ่งนี่อาจารย์เขาเป็นคนบอกการเอาได้เลยอ่าอันนี้ไปอันนี้ไปผ่านนี้ไปที่ต้นเอ่า คนนะคนไอ้เกียรติรับไปดูไปจัดการเนออ่าเอาไปแล้วไปใช้เกิดประโยชน์นะนักเรียนนะเอาไปใช้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะอันนี้เงินเขาทําบุญมาเงินเขาทาบุญมาเราก็เอาไปใช้เกิดประโยชน์ใช้ไปช่วยทุนการเรียน ข้าอาหารกลางวันค่าสมุดค่าดินสอค่าอะไรที่จําเป็นทํากิจกรรมอะไรต่ออะไรที่จําเป็นก็ทําได้มีความจําเป็นเก็บแค่ได้ป่วยอะไรซื้อหยุกซื้อยาซื้ออะไรไปของเล็กๆ น, น้อยๆแต่ให้ระลึกให้ระลึกถึงธรรมะให้มากก็แล้วกันนี่คือผลรายได้พิเศ ษ, ษธรรมะที่ได้อยินได้ฟังเนี่ยแหละคือผลรายได้พิเศ ษ, ษอืม คนเราที่มันอับจนที่สุดก็คือมันขาดทำนั่นแหละขาดทำแล้วขาดทำก็คือไม่มีทรรมขาดศีลก็คือไม่มีศีลไม่พีศีลศีลสลุศีลด่าศีลพร้อยขาดศีลก็นำทุกข์มาให้ขาดทรรมก็นำทุกข์มาให้ลองดูสิไม่ขึ้นไม่ขึ้นชื่อว่ารวยเป็นลูกมหาเศรษฐี ไม่ขึ้นชื่อว่าไม่ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับเป็นลูกมหาเศรษฐีร่ำรวยมากมายมหาศาลมีสมบัติพัานเดินไปไหนอยู่แต่ บ, บนกองสมบัติไม่ขึ้นชื่อว่อย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วก็ทุกเหมือนนอนบนกองฟืนกองไฟนั่นแหละเพราะในใจมันมีแต่กิเลสตัณหามันไปพาปรุงสิ่งที่ทรให้ยุง่งเพราะปัญหามีสารพัดอ่า เรื่องของเกลเอทที่มันจะพายุใหญ่ให้จิตเดือดร้อนหุนวายไม่สําคัญไม่จะมีความรู้สูงส่งขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมความรู้เหล่านั้นนเป็นดาบสองคมมาเฉือนตัวเราเองทําทุกข์ทำโทษให้กับตัวเราเองเนี่เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงชื่อว่าโครงการความรู้คู่ความดีความดีก็คือบุญคนมีบุญคนมีความดีคนมีความดีคน ม, ค, มดคนมีบุญ ใจดีกายดีกายดีวายาดีใจดีมีบุญบุญอยู่เฉยเไม่เกิดต้องทำเอาพฤติกรรมทางกายเราต้องเอาศีลมากํากับมารักษาพฤติกรรมทางกายของเราให้ดีพฤติกรรมทางวายจาให้ดีต้องมีสัจจ์ต้องมีสัตซ์ซื่อต้องมีความอดต้องมีความทนสัจจ์ธรรมขันติจาะคต้องมี สัจจะสัตซืซื่อสัต์ให้กับตัวเองสัตตยะสัตยะซื่อสั ต, ต, สต์ให้กับตัวเองพยายามคบเจาะสัจจะให้มันเห็นเข้าไปรู้เห็นหลักเหตุที่ทําให้เราได้รับความได้รับทุกได้รับโทษะกิเลสตัณหาในหัวใจของเราไปเห็นสัจจะเมื่อเห็นสัจจะแล้วกิเลสมันก็ยุบมันก็ย่อมันก็ยอ ม, ม, ยอมถ้ายังไม่เห็นมันก็ไม่ยอมแหละใช้อะไรเป็นเครื่องปราบมันใช้ธรรมะความกด ความข่มใช้ความอดความทนขันติดชาคะเสียสละปล่อยวางเสียสละปล่อยวางกดข่มเสียสละปล่อยวางกิริยาทั้งหมดเป็นกิริยาที่จิตของเรามีอยู่ที่จิตของเราเราใช้กิริยาเหล่านี้เป็นกิริยาในจิตของเรากดข่มจิตของเราจิตของเราเราต้องขม่มข่มพฤติกรรมที่เร็วๆที่มันออกมาที่จิตของเรา อย่าคิดอย่าไปเพลินว่าจิตของเราดีเด่นหมดทุกอย่างทุกเรื่องจิตของเราเป็นแก้วสรารพัดนึกเป็นผู้รู้รู้แต่ว่าถ้าขาดคนกุม อ, อำนาจของจิตแล้วจิตนี้เหมือนกับคนบ้าผู้ที่คุมอำนาจของจิตคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่พวกกุมอำนาจของจิตถ้ามีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีก็สามารถเอาจิตของเราคือผู้รู้ของเรามาใช้สอยในทางที่ดีที่งาม ถ้าให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อผลผลตามมาคือความสุขคือความเจริญสุขแค่ไหนเจริญแค่ไหนตามลําดับขั้นขีดขั้นที่เราฝึกเราฝืน เ, เราอบเรารมนั่นเองอืแต่ถ้าหาขาดสิ่งเหล่านี้แล้วก็โอ้โลกเราถ้าขดาดศีลธรรมนะโลกเราเนีย่ยเป็นโลกมิกรสันดีเห็นคนเห็นเห็นมนุษย์เนี่ยเห็นเหมือนสัตว์จะฆ่าจะแกงกันแหละทั้งคนทั้งไม่โครตายฆ่าแกงกันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตายแล้วก็ไปเกิดอีกตายแล้วไปเกิดอีกอย่าคิดว่าตายแล้วมันจะสูญละลายหายไปหมดมันไม่มีแล้วในธาตุการร่างกายมันก็ยังไม่ไปไหนมันก็อยู่บนโลกนี้ละลายหายไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันก็อยู่บนโลกนี้มันไม่ไปไหนไอผู้รู้ถ้ารู้ของเราตายไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนสมควรจะไปเกิดในภพภูมิไหนมันก็ไปไปต่ำมนุษยไปเกิดสัตว์นรกในอบายมันก็ไปได้ ดีหน่อยมาเป็นมนุษย์ชั้นดีชั้นกลางแม้แต่ชั้นต่ำๆลงมาสักตว่าเป็นมนุษย์ดีขึ้นไปอีกเป็นเทวดาชั้นนุ่นชั้นนี้ชั้นอินชั้นพรมมันก็พัฒนาไปเรื่อยผู้รู้ไม่เคยสูญไม่เคยเสื่อมผู้รู้ไม่เคยสูญไม่เคยสูญไม่เคยเสื่อม ส, สลายหายไปไหนพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวองท่านชะล้างเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ มันไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีสนิมตามมาเกาะกินหัวใจของท่านท่านมีความสุขประมังสุขขังประมังสุขขังอันนี้หลักคาสอนของพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้พวกเราถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามพวกเราก็ทําบุญให้ทานผลของบุญให้ทานก็คือเป็นการสะสมบุญบุญพุทธิออยกักษก้าวไปเพื่อไปถึงจุดพัฒนาที่สูงที่สุดนั่นแหละคือจุดพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนท่านมีท่านเปลี่ยนพระสงฆ์สาวกอริยสาวกท่านมีท่านเป็นาา น, ป น, นั่นแหละ คือจุดที่เราพัฒนาผู้รู้ของเราไปถึงที่สุดแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วอยากคิดว่าจะไปศูนไปหายไ ป, ไปนู้นไปนี้เอ้ยตายพลนไปตายทิ้ที่มันไม่ทิ้งมันไม่ผลมันไปทุกข์อีกมันไปทรมานอีกอดูแต่เราหลับนะเราตื่นอยู่เราทุกข์ยากลาบากกันดานรลาบแล้ว ย, ยังทุกข์ยากลาบากฝันทุกข์ยากลาบากอีกอเพราะอะไรมันไปกับผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้น เราจะจัดการกับมันจัดจัดจัดการทั้งทั้งที่รู้รู้อยู่นี่แหละให้มันหมดภาระหมดภาระแล้วม er ันก็มีความสุขหลับตื่นลืมตาสุขสบายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอ้าให้พรรับพรแล้วไปรับทานอาหารในครัวยัตทาวาริวหาปูราปริปูเรนติสะารังเอวะเมวะอโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปทิตังตุมหังคิปเมวัสมิตชะตุสัเปปูรเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยาทามนิโฉติระโสยาทานเ <c oughs> ตโยวิวัจันตุสัมภโรโควินาสสตุมาเตมภวะตวันตารโย สุขกายมภาวะอิวะสลีสนิจังโวทธาปะจายนยจัตตารมาวัน์ิอายุวันอสุขัง อุตตภกาปะตผาจาวิตินาอปดาสุเมอุทะกาดาขินอดินนาอโทปัญจบลิกตาอปัฏิตาศิลาวัโตสัญญตาบรัมชาลิโนยาตาทางอขมิเชียอปนิตโอรวส โตเมอทโออนุปโตกตังอนุตาบียงเอตังอนุสรังมจโอริยธรรมเมธิตโนโรอิเทวนังปะสังสันติเปจัสเกปโมดติติภวตุสัปมังกลังราคันตุสัเดวา สามบุตทานุพาเวนาสดาโสติภวันตุเตภาวุตสาบมะงาลังราคันตุสพปเดวตาสามบัมนานุพาเวนาสดาโสติภวันตุเตภาวุตสาบมะงาลังราคันตุสพปเดวตา สัมบาสังคานุภาเวนาสดาสดทิอิมหาวันโุเตม